ตอบปัญหาในหนังสือเรื่องการติดต่อทางวิญญาณปัญหาข้อที่หนึ่งเหตุไรเอสเทโลเบิร์สจึงเห็นโอปปปาติกาได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยปกติชาวพุทธที่รู้หลักพุทธศาสนาดีไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสมาจะมีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่จะมีความสามารถเห็นโอปปปาติกา และได้ยินเสียงของโอปปปาติกะได้ด้วยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ทิพจักสุและทิพโสดซึ่งเป็นความรู้ขั้นสูงของพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าอภิญยาและผู้ที่จะสามารถได้อภิญยาก็จะต้องเป็นคนที่ได้สมาบัติปดและผู้ที่จะได้ฌานถึงขั้นนี้ก็จะต้องอาศัยการฝึกฝนมาอย่างมากมายและน้อยคนมากที่จะได้เพราะโดยปกติ ผู้ที่จะฝึกสมาธิได้ถึงขั้นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีภาระเกี่ยวกับทางโลกและจะต้องละเว้นจากเรื่องในทางโลกีวิสัยถ้ายังเป็นคารวาที่มีครอบครัวยังมีจิตมกมุ่นอยู่ในกามหรือยินดีในเรื่องกามอยู่ก็ไม่อาจาที่จะฝึกสมาธิถึงขั้นนี้ได้มาเหตผู้อ่านกามตามความหมายในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการร่วมเพศหรือการเสพเมถุนเท่านั้นนะครับ แต่หมายรวมถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งรวมเรียกว่ากรมคุณโภคาสมบัติลาบยศสรรเสริญต่างๆก็รวมอยู่ในคำว่ากรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีชีวิตเป็นคารวาดมีครอบครัวมันอย่างเอสเทโรเบิร์สซึ่งเมื่อพูดตามหลักที่เชื่อถือกันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เราตามประวัติของเอสเทลโรเบิร์ตที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าเอสเทลโรเบิร์ตเห็นโอปปาติกะครั้งแรกและได้ยินเสียงด้วยตั้งแต่อายุเจขวบซึ่งเป็นการเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจและผู้ที่เห็นครั้งแรกนั้นคือท่านอัศวินขาวนอกจากตัวเธอจะเห็นเองแล้วยังเรียกน้องสาวที่ชื่อว่าพอลลี่ให้มาดูแล้วก็ปรากฏว่าน้องสาวก็เห็นด้วยเหมือนกันสาหรับเรื่องอย่างนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่า คนไทยทั่วไปสงสัยและยิ่งผู้ที่เคร่งครัดอยู่แต่ในตําราของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาก็อาจจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องนิยายคือไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผู้เขียนมีความสามารถในการแต่งได้อย่างวิเศษจนกระทั่งทําให้ผู้อ่านเห็นเป็นเรื่องจริงซึ่งตัวอย่างในทํานองนี้ฝรั่งเขียนขึ้นจนกระทั่งคนทั้งหลายเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องเชื้อโรกโฮมเป็นต้นคนบางคนอาจจะมีความสงสัยหรือมีความคิดเห็นเป็นไปใ น, ปนทํานองนี้ฉนั้นเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในทางหลักวิชาบางอย่างที่นอกเหนือไปจากที่คนไทยรู้กันข้าพเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้และโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงโดยผ่านทางคุณสีเพนจตุทศี คำตอบต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนตลอดทั้งเล่มขอเรียบโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าได้มาโดยวิธีดังที่ได้กล่าวมานี้และสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยดังที่กล่าวมานั้นท่านได้อธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้มาเหตุผู้อ่านสาหรับคุณสีเพนจตุทัศสีนั้นเป็นสิทธิเอกของอาจารย์พรที่มีความสามารถพิเศษในการติดต่อทางวิญญาณ สามารถติดต่อ ก, กับโอปปาติกาได้และมีการทดสอบทดลองหลายครั้งมีการพิสูจน์กันแน่ชัดแล้วว่าเป็นการติดต่อที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่การหลอกลวงหรือคิดฝันไปเองซึ่งเรื่องการติดต่อของคุณสีเพนนนั้นดูรายละเอียดได้จากหนังสือชุดเว้าเสียงสวรรค์นะครับและจัด ก, การพิสูจน์ทดสอบหลายครั้งนั้นอาจารย์พรซึ่งมีความแตกชานในด้านบาลีและศาสนาปรัชญาหลายแขนงก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองเช่นในบางกรณี ที่มีการติดต่อและพูดภาษาโบราณออกมานั้นก็ได้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษายืนยันว่าเป็นภาษาโบราณและสามารถแปลความหมายได้การติดต่อและอธิบายถึงหลักธรรมด้วยภาษาบาลีในระดับลึกซึ่งอาจารย์พรท่านรู้อยู่ว่าคุณสีเพนไม่มีทางรู้ความหมายของคําเหล่านั้นและไม่น่าจะตอบปัญหาหรือซื่ออธิบายถึงเรื่องในคําศัพท์และความหมายในทางธรรมในระดับลึกแบบนั้นได้ซึ่งกว่าท่านจะเชื่อว่าติดต่อได้จริง ก็ผ่านการพิสูจน์มาจนแน่ใจนะครับหลายท่านที่ได้อ่านคําอธิบายในหนังสือหลายเล่มของอาจารย์พรถ้าไม่มีอคติในใจเมื่อได้พิจารณาเหตุผลจากข้อความที่กุญสีเพนเป็นสื่อในการติดต่อในแต่ละครั้งนั้นก็จะทราบได้เองครับว่าหลายครั้งเป็นคําตอบที่ลึกซึ้งในทางธรรมที่ไม่ได้เป็นการจดจํามาจากคัมภีร์หรือหนังสือต่างๆต้องไม่ลืมนะครับว่าอาจารย์พรท่านเป็นผู้แตกฌานในพระไตรปิฎกและศาสตร์ต่างๆอีกหลายแขนง ถ้าไม่ใช่คำอธิบายที่ดีพอและลงกับหลักธรรมที่แท้จริงได้นั้นไม่มีทางเลยที่ท่านจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือใครจะมาหลอกท่านได้นะครับต้องขอหมาเหตุเพิ่มเติมไว้เผื่อท่านที่ไม่เคยอ่านหนังสือของอาจารย์พรมาก่อนจะได้ทราบที่มาของคุณสีเพนและการติดต่อทางวิญญาณของอาจารย์พรที่ปรากฏมาในหนังสือหลายเล่มแต่ทั้งนี้หลายครั้งก็เป็นการติดต่อกับอาจารย์พรโดยตรงที่ไม่ได้ผ่านคุณสีเพนนะครับ ท่านว่าเป็นการเพ่งกระแสจิตจากโอปปปาติกะหรือเทพเจ้าทั้งหลายส่งความคิดมาให้อาจารย์พรโดยตรงคำอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อทางวิญญาณ น, นั้นท่านผู้สนใจดูรายละเอียดในเชิงลึกได้จากหนังสือแววเสียงสวรรค์ซึ่งมีทั้งมดห้าเล่มกลับเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือนะครับสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยดังที่กล่าวมานั้น ท่านได้อธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้โดยปกติคนที่เคยได้ชาหถึงขั้นที่พระจักสุและขั้นที่พระโสดแล้วเมื่อชาติก่อนถ้าหากวิบากนี้ยังไม่เสื่อมเพราะเหตุที่คนคนนั้นได้ดำเนินชีวิตมาอย่างถูกต้องและสนใจในเรื่องนี้มาตลอดสำหรับบุคคลประเภทนี้เมื่อตายมาเกิดเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเป็นคนในชาติไหนหรือในาศาสนาไหน ความสามารถอันนั้นก็จะติดตัวมาด้วยตัวอย่างเช่นในกรณีของเอสเทลโรเบิร์สที่มีความสามารถเช่นนั้นก็เพราะในชาติก่อนเป็นคนที่เคยได้ฌานและเคยมีความสามารถอย่างนี้มาแล้วแต่ท่านไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเมื่อชาติก่อนเคยเกิดเป็นคนอยู่ที่ไหนเป็นคนชาติอะไรในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังเขียนปัญหาตอนนี้ท่านยังไม่บอกแต่ในตอนต่อไป ท่านจะบอกรายละเอียดหรือไม่ข้าพเจ้ายัางไม่ทราบเฉพาะในตอนนี้ท่านบอกว่าให้รู้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนอันหนึ่งสำหรับคนที่เคยมีความสามารถดังที่กล่าวมาเมื่อมาเกิดเป็นคนใหม่โดยธรรมดาแล้วก็ต้องมาฝึกกันอีกความสามารถที่ว่านี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์โดยทั่วไป ซึ่งได้สร้างบารมีมาแล้วอย่างสมบูรณ์และเคยได้สำเร็จอภิญญาต่างๆมาแล้วแต่ถึงกระนั้นเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาฝึกกันอีกซึ่งบางคนก็ฝึกง่ายแต่บางคนก็ฝึกยากแต่แล้วในที่สุดก็สำเร็จทุกคนเพราะเหตุที่เคยมีวิบากมาแล้วแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าความสามารถอย่างที่เคยมีมานั้นในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเองได้ อย่างที่เราเรียกกันว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญเราไม่ได้ตั้งใจมาก่อนและก็ไม่ได้ฝึกด้วยตัวอย่างเช่นนี้มักจะมีอยู่ทั่ ว, วไปและมีเกือบจะทุกชาติทุกภาษาและยิ่งในสมัยปัจจุบันรู้สึกว่าออกจะมีมากคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้จะพบตัวอย่างประเภทนี้อยู่เสมอทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าคนที่เห็นโอปปาติกะโดยบังเอิญหรือได้ยินเสียงโดยบังเอิญซึ่งเป็นการเห็นและได้ยินจริงๆไม่ใช่เพราะตาฝาดหรือประสาทหลอนอะไรทำนองนี้ในบรรดาผู้ที่เห็นหรือได้ยินโดยบังเอิญนี้มักจะไม่สมบูรณ์คือถึงแม้จะเห็นก็เห็นไม่ค่อยชัดได้ยินก็ไม่ชัดไม่สามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมาได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่บรรดาพวกที่มีตาเป็นสื่อ หรือมีหูเป็นสื่อทั้งหลายเหล่านี้ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่มากพวกเหล่านี้แม้เมื่อชาติก่อนจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีสมาธิดีเคยฝึกสมาธิกันมามากแล้วแต่ก็ยังไม่อยู่ในขั้นที่นับว่าได้อภินยาเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์จึงไม่มีแต่ถ้าหากคนประเภทนี้ได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิและตั้งใจฝึกจริงๆพร้อมกับได้ครูอาจารย์ที่ดีด้วย ก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้ดีคือจะฝึกได้ง่ายกว่าคนอื่นที่ไม่เคยมีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อแต่ถึงกระนั้นถ้ามาฝึกในตอนที่มีอายุมากซึ่งโดยธรรมดาคนที่มีอายุมากมักจะมีความกดดันทางอารมณ์สูงมีภาระยุ่งยากหลายอย่างและมักจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เสมอและสมองก็เริ่มเสื่อม หรือบางทีก็มักจะมีโรคประจําตัวอยู่เสมอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุถึงแม้เมื่อชาติก่อนจะเคยเป็นคนที่มีสมาธิมาดีเคยมีวิบากในเรื่องนี้มาแล้วก็ตามก็มักจะฝึกกันไม่ค่อยได้คนที่จะฝึกสมาธิได้ง่ายจะต้องไม่มีความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยมีภาระยุ่งยากและในชีวิตประจาวันก็มีความแจ่มใส ไม่ค่อยมีเรื่องวิตกกังวลด้วยเหตุนี้เด็กๆจึงมักจะฝึกสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถ้ายิ่งเป็นเด็กที่เคยเห็นโอปปาติกะมาบ้างหรือเคยได้ยินเสียงพวกนี้มาบ้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นเดิมเป็นคนมีสมาธิมาดีเด็กประเภทนี้ฝึกสมาธิได้ง่ายมากแต่นั่นหมายความถึงว่าจะต้องได้ครูอาจารย์ที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมดีด้วย